ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องห้าท่ามังกรดับทุกข์โดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่20พฤษภาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนั้นพอดีตรวจศีลให้ทางพวกพลังบุญก็เลยพูดถึงวิธีการแก้ความวิกร้อนใจห้าวิธีมาเคยสอนไม่นานแล้วลหละเทศก็เคยเทศไปละนะแต่นานละ ว, วันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาให้พวกเราฟังกันอีกสักทีสิ อยู่ในพระไตรปิฎกนาะเล่มที่12วิตกะสันทารสูตรข้อที่257หถึง261หลายคนจะได้ยินอาจมาพูดถึงสูตรนี้บ่อยนะ5อย่างเราก็พยายามฟังฟังจนกว่าจะอะไรอ่ะจำขึ้นใจหรือว่าเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิต เพราะว่าบางคนเนี่ยฟังนะฟังจำก็จำได้แต่ไม่ได้ไปใช้ขนาดจำได้นะอย่าเข้าใจว่าจำได้แล้วเอาไปใช้ได้นะไม่ใช่นะถ้าใครคิดว่าจำได้แล้วเอาไปใช้ได้คนนั้นยังเข้าใจผิดเพราะเยอะแยะไปที่เราจำได้หลายเรื่องใช่ไหมที่เราจำได้ฮะหรือว่าแค่จานี่ก็ยังจาไม่ได้ เอาเอ า, เอาที่จำได้แล้วกันหลายเรื่องที่จำได้เนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้เอาไปใช้เลยในชีวิตจริงๆบางทีพอเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ก็คิดไปตามความเคยชินเราอะที่เราเคยคิดเราเคยทำมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอะเป็นญาณหรือว่าไม่ได้เป็น เป็นมรคนเป็นอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยมีบา ร, รมีเจนกระทั่งสั่งสมขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ได้มันก็เลยเป็นแค่ความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบางทีแต่ก่อนนี้พ่อท่านใช้ว่าอะไรนะร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำนะหนึ่งหนึ่งของการกระทำเนี่ยถึงบอกว่าบางที ร, รู้รู้เนี่ยรู้ก็คือก็คือจำได้นั่นเอง นะรู้ก็คือจําได้เข้าใจด้วยคราวนี้ไม่ใช่แค่จำนะตอนนี้เอาเข้าใจด้วยแต่บางคนเข้าใจเนี่ยก็ได้แต่เข้าใจแต่พอเวลาไปผาาัสสะไปกระทบเหตุการณ์ไปเกิดปัญหาทุกร้อนขึ้นมาปรากฏว่าไอ้ไอที่บอกว่ารู้แล้วก็ไอ้ที่เข้าใจเนี่ยไม่ใช้เลยไปใช่อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ไอ้สตรีมมั่งไปใช่ ไปใช้ที่หลับที่นอนบ้างไม่ใช้อย่างอื่นหมดคือคือไอ้เนี่ยพสัสตรหรืออะไรต่างๆไม่ได้ไป ใ, ใช้เลยจดเนี่ยจดเยอะแย ะ, ยะไปหลายคนที่จดไปโอ้โหหนังสือเป็นหลายเล่มเลยนะเพาถึตงตอนนั้นม <c oughs> ันมาไม่ทัน <c oughs> อะไรมาไม่ทัน ไอที่เรียนๆไปมาไม่ทันอ๋อต้องก่อนนอนนะมันมาตอนก่อนนอนนะแหมตอนตอนหน้าสิวหน้าขวานไม่มาตอนหน้าสิวหน้าขวาน ไ, ไปที่อื่นหมดเลยแหมพอตอนจิตนิ่งๆเนาะจิตสงบดีๆหน่อยเนาะโอ้โหมาเยอะเลยนะอั้นเห็นไหมบางคนเนี่ยถ้าเป็นสภาพปกติ บางทีจะถามจะอะไรต่ออะไรโอ้โหพูดคล่องตอบได้ฉะฉันอย่างก็อย่างนี้นะแต่พอภาษาจริงๆเนี่ยกลายเป็นอะไรเหมือนอย่างคนหูหนวกตาบอดเป็นใบหมดเลยโอ้โหจะทําอะไรออกมาก็กลายเป็นเป็นทําไปอย่างอื่นไปหมดออ่าแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าปัญหาสังคมโอ้หมากขึ้นเรื่อยเรื่อนาหนักหน า, นาสาหัสคนนี่มันละ เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งข้อที่หนึ่งก็ตามเนี่ยไปดูสิโอ้โหทีนี้การฆ่าแกงอะไร ม, มันง่ายได้เหลือเกินบางทีนะนึกจะเบียดเบียนนึกจะทําร้ายกันเนี่ยเรื่องฆ่าก็ตามสิงข้อสองนะเรื่องรักขโมยเรื่องอะไรก็โอ้ยเกินกาดเลยเอาสิงข้อสามเรื่องการเรื่องผู้ชายผู้หญิงโอ้ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงอ่ะเดี๋ยวนี้มันเด็กเล็กเด็กน้อยบางทีชั้นปถมชั้นอะไรไปกันใหญ่ละ โอ้โหเลวร้ายมากๆนะ่ในสังคมทุกวันนี้นะ่าสิงข้อสี่ข้อห้าอะไรเอา้เาก็ว่ากันไปนะแย่น ะ, ะนะสังคมสังคมนี่แย่ะนะใครตั้งชื่อว่าสังคมหรือว่าเพรว่า <c oughs> <c oughs> โ, โดนอยู่เรื่อยอ่ะนะออต้องโดนว่าอยู่เรื่อยไ <c oughs> อ้อะไรก็เนี่ยแหละสังคมเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องโดนอะ่ะมันก็เลยมีความเครียด บางทีมีความเครียดมีความทุกข์ร้อนใจอยู่เรื่อยๆอเพราะนั้นลองฟั ง, ฟ, งฟังสูตรนี้ดูอีกทีสิอนุมาจําได้ปราะพูดบ่อยมากเลยนะเนี่ยห้าสูตรเนี่ยแล้วเดี๋ยวอยากจะรู้ด้วยว่าพวกคุณเอาไปใช้บ้างไหมห้าสูตรนี้เอ้ยไม่ใช่ห้าสูตรห้าวิธีนี้หนีไม่พ้นคือต้องมีอยู่แน่วิธีการที่เราจะไปแก้ไขเนี่ยมันต้องมีอยู่ในห้าห้าอย่างนี้แน่นอน คือคือไม่ไม่หลุดพ้นไปจากห้าอย่างนี้ได้แล้วก็สิ่งที่ฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือให้เราสังเกตดูนะเพราะว่าบางทีบางช่วงอาตมาอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นอันนี้พูดรวมรวมไว้ก่อนเลยว่าในห้าวิธีเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็จะใช้สลับไปเรื่อยนะใช้เจโตใช้ปัญญานะเจโตนี่ก็โน้มมาในทางสมถนะน่าจะใช้สมถะใช้ปัญญาใช้สมถะใช้ปัญญาใช้สมถะอะไรอย่างเงี้ย จะสลับอยู่เรื่อยวิธีการแก้ความทุกข์ร้อนใจของคนเราดูวิธีที่หนึ่งธรมาตั้งชื่อไว้แบบแบบกําลังภายในอะน ะ, อะวิธีที่หนึ่งก็คือมังกรย้ายหัว น, นี่ธรรมมาตั้งเองนะนี้ไม่มีในพระสูตรอันนี้ตั้งเองเอา้าวลองฟังอัวนี้ฟังที่ผู้เจ้าท่านตรัสเอาไว้นะท่านก็บอกว่า การแก้ความวิตกร้อนใจหวิธีหนึ่งนะนี่เป็นวิธีแรกเมื่ออาศัยเหตุใดแล้วกำหนดเหตุใดไว้ในใจอยู่ความวิตกร้อนใจอันเป็นบาปชั่วเกิดขึ้นอันประกอบด้วยความรักไข่บ้างความโกรธฉุนเฉียวบ้างความหลงผิดโง่เขลาบ้างก็ควรกำหนดเหตุอื่นไว้ในใจแทนซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง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 เราเนี่ยวิตกทุกข์ร้อนเรื่องอะไรอยู่นะเรื่องนั้นนะทําให้เราทุกข์อยู่ห่วงอยู่กังวลอยู่ท่านบอกว่าจะเป็นเรื่องของกามก็ตามจะเรื่องของโทสะความโกรธเครืองความไม่ชอบใจก็ตามเรื่องของโมหะคือเรื่องของความหลงความติดยึดอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะไปหลงอะไรคุณไปยึดเรื่องอะไรแหละแล้วมันก็ทําให้เราทุกข์อยู่อย่างนี้เอาสมมุติว่าเรื่องกาม นะอาจจะเรื่องอะไรอ่ะยังยังยังไม่ต้องไปเป็นแฟนกันก น, นะแต่ว่าโอ้โหไปรักไปชอบใครเขาเข้านะแล้วก็อยากให้เขารักอยากให้เขาชอบอยากให้เขามาเป็นแฟนเราอะอย่างเงี้ยแค่เนี้แ ค, แค่แค่เริ่มแรกนี้นะก็กลัวแล้วนะโอ้โหกลัวเอ่ยเดี๋ยวเขาจะไม่รักเราไม่ชอบเราเดี๋ยวเขาจะไปชอบคนอื่นเลยเนี่ยมันก็เริ่มทุกข์เริ่มห่วงเริ่มมงวนเผลอๆยิ่งเห็นคนอื่นจะมารักมาชอบด้วยก็เอา้า ต้องแข่งกันต้องแย่งกันนั้นเนี่ ย, ยแค่คิดอย่างนี้ก็เริ่มทุกข์แล้วแล้วก็ห่วงกังวลมากมายอันนี้เรื่องกามเพราะเรื่องโทรศะก็เรื่องความไม่ชอบใจใครอาจจะมาพูดอะไรให้เราไม่ถูกกูนั้นเราก็โกรธเราก็ไม่ชอบใจนันหรือว่าอะไรอ่ะมีใครไปว่า ไปเบียดเบียนคนที่เรารักคนที่เราชอบเสร็จแล้วเราก็เลยทุกข์เราก็เลยห่วงกังวล น, นะไม่ชอบใจใครมาว่าคนที่เราเคารพศรัทธาใครมาว่าพ่อแม่เราใครมาว่าพี่น้องเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้เราก็โอ้โหดูสิเนี่ยมีข่าวมานะว่าพ่อแม่เราโดนสายไลย่หรือว่าโดนโจมตีโดนอะไรอย่างนี้ นะก็รู้สึกทุ ก, กวงกังวล ว, ว่าว่าบ่านีนี่ ย, ยทำไมใครมารังแกใครมาเบียดเบียนเคือญาติเราอย่างนี้เนี่ยเยอันนี้ก็ในท่านของความไม่ชอบใจแต่พอมาถึงความหลงนะอา้าวความติดยึดอะไรต่างๆนะอา้าวย่างนทีนะ่ใครช่วยยกได้บ้างนะความหลงความติดยึดอะไรต่างๆ ออยุดเบากว๋วยเตี๋ยวอร่อยมันต้องต้องกว๋กวยเตี๋ยวไข่สิแม่ยุดเบากว๋วยเตี๋ยวอร่อยไม่บอกยี่ห้อมาเลยกว๋วยเตี๋ยวพลังบุญเหรออร่อยเอจริงเหรออวันเนี้เหรอวันนี้กว๋วยเตี๋ยวไข่อ่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไข่อ่ะไข่ใครทําอ่ะป้าไม่ใช่ใครไครไอ้ น, นั่นมาอ่อช่วยกันทําเหรออ่นั่นแหละ อาสมมุติว่าต้องมียี่ห้อนะ ว, ว่าว่าแม่ต้องฝีมือแม่นั่นฝีมือแม่นี่แล้วก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดนะอย่างเงี้ยสมมุติเราติดเรายืดเราหลงอะไรแล้วปรากฏว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่นี่นี่ใครทาโอ้รู้สึกว่าชักไม่ชอบใจชักทุกข์ชักเดือดร้อนแล้วกินไปด้ยวยความขมขื่ น, นกินก๋วยเตี๋ยวนะ ไม่อร่อยเลยไม่ถูกใจเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ทุกร้อนใจหรือว่ามีความวิตกกังวลห่วงเนี่ยนี่ยยกตัวอย่างสมสมุติสมมุติมาเท่านั้นแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งเราเนี้ยมันก็คาอยู่ในสมองเรานาอยู่ในหัวเราเนี่ยเสร็จแล้วเราก็คิดอยู่แต่อย่างเงี้ยคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยมันมันไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องอะ่ะเมื่อไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นอะ่ะ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าอย่างแรกเลยใครทุกเรื่องอะไรเนี่ยท่านก็ใช้บอกว่าเลิกคิดเรื่องนี้เลยเอาเรื่องอื่นที่มันดีๆเนี่ยท่านบอกว่ากําหนดเหตุอื่นไว้ในใจแทนซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้กําหนดเรื่องอื่นเข้ามาแทนแต่เรื่องอื่นที่เข้ามาแทนเนี่ยก็ควรเป็นเรื่องที่ที่ดีๆ นะอย่าอย่าไปเอาแบบวิธีการโรคๆเขานะวิธีการโรคๆเนี่ยอะไรก็ได้ที่จะเข้ามาแทนขอให้สะใจขอให้สมใจแล้วตอนนี้จะจะสะใจจะสมใจเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าโดยโลกๆแล้วคือมันต้องโหหนักนวลต้องรุนแรงนะต้องโลภโกรธหลงอะไรหนักกว่าเดิมถ้าโดยโรคๆอย่าเป็นอย่างนั้นแต่ในในที่นี้พูะเจ้าท่านกำหนดไว้เลยว่าสิ่งที่เอามาแทนเนี่ยต้องดีกว่าจริงๆ หมายถึงว่าต้องถูกต้องด้วยคาว่าถูกต้องนี่ก็คือสัมมาจะต้องมีสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะความคิดเราไปยึดเรามีทิฏฐิอะไรยึดเอาไว้หอบผวงเอาไว้เป็นเจ้าครอบเจ้าของเอาไว้นะนี่ของข้านั่นก็ของข้าโน่นก็ของข้าหมดไม่ว่าตะหลิวก็ทะไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะเขียงของข้าทั้งนั้น ยึดไปหมดเลยยึดในใจเนี่ยแหละหยึดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครยึดอย่างนี้เนี่ยโอ้แล้วก็ทุกข์สิโอ้ใครมาใช้จะหลิวข้าใครมาใช้กระทะข้าคใครเอาไปไหนอา้าวจิตเราเนี่ยมันยึดไว้อย่างนี้พอพอมันโดนหายไปหรือว่าใครเอาไปใช้อะไรโอ้โหมันทุกข์มันหัวมันกันวนงวลวันท่านก็บอกว่าเปลี่ยนซะเพราะถ้าขืนคิดอยู่เรื่องนี้อยู่มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เปลี่ยนเอเอาเรื่องอะไรเข้ามาคิดแทนเช่น เช่นเรื่องอะไรดีที่จะเข้ามาคิดแทนได้บ้างฮะช่วยหน่อยทีช่วยหน่อยทีช่วยคิดหน่อยทีเอ่ออเอาเออบอกว่าเออเราช่วยกันขนทรายเออน่าสนุกดีได้บุญได้กุศลเอาทรายเข้าวัดเอาอะไรอะไรมันจบแล้วอ๋อมาสั้นไปเหรอแหมคิดแล้วมันจบไวเนาะต้องหาเรื่องยาวหน่อยนะเอาหนังวนเดียวจบไม่เอานะ เอาหนังหลายๆม้วนจบหน่อยก็คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กําหนดนะว่าม้วนสั้นหรือม้วนยาวคือท่านขอให้เอาเรื่องอื่นเนี่ยมาคิดแทนเรื่องที่ทุกข์ที่กุ้มอยู่นั้นเรื่องอื่นที่ที่สบายใจนะสบายใจแบบดีๆนะไม่ใช่สบายใจแบบว่าโอ้ไม่คิดดีกว่าไปนอนดีกว่านะไปนอนดีกว่า หรือว่าไปกินดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปอะไรอีกไปคาราโอเกะไปช้อปปิง้งไปอะไรอีกบางทีไปบอลโ น, นไปเล่นการพ น, นันไปอะไรนั่นนะถ้าไอ้ไม่ดีนี่ไม่เอาเพราะไม่ดีเนี่ยนะต่อให้มันคิดขึ้นมาแล้วมันทำให้เราคลายความทุกข์ก็จริงแต่เราได้กิเลสใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเพราะนั้นวิธีนี้พระเจ้าท่านไม่สนับสนุน เพราะนั้นท่านสรมลุนว่าสิ่งที่เอาเข้ามาแทนเราเนี่ยแล้วทําให้ไอความทุกข์เก่าของเรานี่นะมันโดนพับเก็บเอาไว้มันมันโดนแค่เก็บใส่ลิ้นชักไว้นะมันยังไม่ได้โดนแก้ไขนะเพราะฉะนั้นวิธีแรกเนี่ยมาถึงบอกว่ายังเป็นวิธีแบบสมถะยังไม่ได้ไม่ได้แบบวิปัสนาแต่เป็นสมถะโดยที่ว่าเราเอาสิ่งอื่นเนี่ยเข้ามาแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่า แล้วก็คลายใจมันก็คลายความห่วงความกังวลนั้นลงไปได้นะอันนี้อา้าวอย่างเช่นแทนที่จะทุกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะสมมุติว่าเอาเอาความคิดก่อนแทนที่จะคิดเรื่องนี้แล้วทุกแล้วกุ้มเอคิดเรื่องอื่นดีกว่าคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนาะคิดถึงเพลงพ่อท่านเพลงนั้นเพลงนี้เออก็รู้สึกว่าเออใจเราก็ ก็รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยไปมีสมาธิอยู่กับเพลงอะไรนะอ๋อต้นอภยัยแล้วอออะไรนะฉันปลูกเอาไว้ในหัวใจดวงน้อยใช่ปะมันลดบ่อยๆ อ, อะไรนะด้วยน้ำเมตตานำพาสุขสัน น, ะออนั่นแหละอย่างนะี้อย่างนีง้แล้วก็นึกเพลงอภัยขึ้นมาเนี่ยต้องมีสมาธินะ มันถึงจะจะย้ายหัวได้บางกรนีมันหัวแข็งนะบอกให้รู้บางกรนีมันหัวแข็งนะมันน่ะบางทีมันยึดอยู่อย่างนี้มันไม่ค่อยยอมย้ายหัวง่ายๆหรอกเพราะบางกรจะย้ายหัว ไ, ยยวได้นี่มันต้องโอ้โหต้องใช้แรงต้องใช้กําลังที่หักหักมาให้ได้หักได้คนนั้นถึงจะคิดเรื่องใหม่เนี่ยเอาเข้ามาแทนเรื่องเก่าในหัวสมองได้เพราะฉะนั้น เรื่องใหม่เรื่องไหนที่น้ำหนักมันเบากว่าเรื่องเกา่ากูดูนะถ้าเรื่องใหม่ที่เราคิดนี่มันเบาบางเหลือเกินนะแต่ไอเรื่องเก่าเนี่ยเราโอ้โหห่วงกังวลในเรื่องเนี้เนี่ยเราคิดซะใหญ่โตแล้วนี่สมมตินะเราคิดซะใหญ่โตแล้วแต่ไอเรื่องเก่านี่แม้เบาหวิวเลยนะเราจะเอามาแทนน่นะคุณดูสิคุณเอาเบาเๆามามาพูดง่ายจะเอามากระแทกไอหรือว่าจะเอามากลบ ไอ้ของเก่าที่มันทั้งใหญ่ทั้งหนักเนี่ยคุณจะกลบไหวหรือถ้าคุณเอามาเบาๆบางๆเลยเกินเพราะอย่างไ้อน้อยน้าหนักมันต้องมากพอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องใหม่ที่คุณมาคิดต้องมีน้ําหนักพอที่มันจะมากลบหรือว่ามันจะมาบังไอ้เรื่องเก่านั้นได้เพราะนั้นออาบางคนเนี่ยบอกว่าพยายามคิดเปลี่ยน ม, มุมคิดกันแล้วเปลี่ยนแง่คิดกันแล้วเปลี่ยนเรื่องคิดกันแล้วทำไมมันไม่มันไม่ ไม่กบไม่ไม่ฝังไอ้เรื่องเก่าได้สักทีก็เพราะว่าไอ้สิ่งใหม่ที่คุณคิดมันมันน้ำหนักไม่พอน้ำหนักมันยังไม่มากพอเพราะนั้นเรื่องใหม่อาจารยมาึงบอกว่าต้องมีน้ำหนักพอคือจิตเราต้องให้ความสำคัญหรือว่าให้ค่าในสิ่งนั้นเนี่ยมากพอจนกระทั่งคุณจิตคุณเนี่ยนะคุณสังเกตไหมกระสินไหนที่คุณใช้เวลาคุณฝึกเจโตสมาธิเนี่ยก็สินไหนเนี่ยที่คุณจะเกาะติด กระสินนั้นได้เนี่ยกระสินนั้นคุณจะต้องให้ค่ามันให้ความสําคัญมันมากพอที่คุณเนี่ยโน้มจิตโน้มใจเนี่ยไปกับสิ่งนั้นได้นั่นแหละกระสินั้นจิตคุณถึงจะเกาะไปได้แต่ถ้าเรื่องนั้นคุณคุณใช้กระสินขึ้นมานานอย่างเช่นคุณใช้ลมหายใจแต่เวลาคุณหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคุณคุณไม่อะไรอ่ะจิตคุณเนี่ยไปเกาะหรือว่า เอาจิตไปใส่ในลมหายใจเข้าออกเนี่ยคุณใส่ไม่ได้เลยคุณใส่ไม่อยู่เลยพูดง่ายง่ายเพราะฉะนั้นกสินนั้นน่ะคนนั้นฝึกสมถะไม่สําเร็จจิตเกาะไม่ติดเขาเรียกว่าจิตเกาะไม่ติดเมื่อจิตเกาะไม่ติดเนี่ยจิตคุณจะไปอย่างอื่นละ่ะและไอ้อย่างอื่นนี่ก็คือส่วนใหญ่กลับไปไอ้เรื่องเก่าเรื่องที่คุณทุกทุกทกุ้มกุ้มอยู่นั้นเพราะฉะนั้นบางคนถึงบอกว่าทําสมถะไม่เป็นหรือว่า หรือว่าเอาจิตมาเกาะกับกสินไม่เป็นไม่ได้ก็เพราะว่าอันมาเคยแนะนําไปหลายคนแล้วบอกว่าเพราะกสินที่คุณใช้อยู่เนี่ยพูดง่ายว่าไม่มีเสน่ห์ไม่มีแรงดึงดูดพอสําหรับจิตคุณเลยกสินนั้นคุณถึงเกาะไม่ติดเพราะฉนั้นกสินก็เป็นเรื่องสําคัญที่ว่าคนนั้นน่ะจะต้องรู้ว่ากสินไหนที่เหมาะกับตัวเราเราใช้แล้วรู้สึกว่าเออจิตเรามันมันเข้ากันได้มันรับได้แล้วมันก็ ไปกับกสินนั้นได้เลยแล้วอันนั้นอาจจะทําให้จิตค่อยๆนิ่งค่อยๆสงบเพราะว่ามันก็เป็นสมาธิอยู่กับกสินตัวนั้นทําให้ไอ้เรื่องเก่าที่มันจะคอยมาเล่นงานเราเนี่ยมันถึงจะค่อยๆเฟดค่อยๆจางค่อยๆหายออกไปได้โดยโดนกลบทิ้งไปนั่นเองเนี่ยถ้าใครฝึกเจโตสมถะแล้วเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยจะไม่จมอยู่กับกสินที่ใช้ไม่ได้แล้วสําหรับตัวเองจะไม่จมอยู่นะเนี่ยใครจะฝึกนั่งฝึก เดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่ก็นั่นไงก็นั่นเนี่ยอย่า ง, ยงเช่นเนียเ่นนยยกตัวอย่างเลยถือว่าอย่างที่บอกมานี่นะคือเรานั่งแล้วเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็นับนะนับครั้งแต่จิตจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกเรานับครั้งเนี่ยจิตจริงๆเราเนี่ยเราเราไม่ไม่ไปเกาะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เกาะเนี่ยมันจะไปอย่างอื่นละจะเรื่องไหนมันจะไปเลย อทั้งๆที่ไอ้เรื่องอื่นจริงๆเราเราไม่พยายามกําหนดมันขึ้นมาด้วยเราไม่พยายามกําหนดมาเลยนะแต่บอกแล้วว่ามันอยู่ในหัวสมองเราเยอะแยะไปหมดเลยแล้วยิ่งถ้าถ้าช่วงจังหวะนั้นบอกแล้วมีความเครียดมีความทุกข์มีความห่วงมีความกังวลเรื่องอะไรมาไอ้เรื่องนั้นมีอิทธิพลที่สุดด้วยที่มันจะมาเล่นงานเราคือจิตเนี่ยมันมันจะไปจ่ออยู่เรื่องนั้นอยู่เรื่อยยิย่งกําลังโอ้โหนะเขาเรียกอะไรนะเขา้าเข้าใครอะไรนะ กำลังกำลังประจันหน้ากำลังประชิญหน้านะกำลังต้องลุ้นนลยนะมันมันแหมมันจะยังไงจะยังไงเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนะ่จิตยิ่งไปอย่างเลยยิ่งจอๆใหญ่เลยคุณสังเกตสิคุณดูหนังหรือคุณฟังวิทยุละครหรืออะไรก็แล้วแต่ไอช่วงที่เหมือนกับว่าใครแหมหรือว่าช่วงสําคัญอย่างเงี้ยโอ้โหมันดึงจิตเราไปเลยนะเราไปตามนั้นเลยนะ บางคนเนี่ยสมมุติรถนะมหัวมักนกำลังไล่ตามชนกันไล่ตามมาแล้วนี่เลี้ยวไปตามรถเลยนะดูแล้วตัวนี่หัวเฮานี่อุ้ยเฮ้ยแหมเลียเ้ยวไปตามรถรถรถมันเลี้ยวซ้ายเราก็ซ้ายไปตามรถรถมันเลี้ยวขวาเราก็ขวาไปตามรถคือนั่งลุนลุนลุนไปตามนั่นเลยโดยที่บางทีเนี่ยลืมเรื่องอื่นหมดแล้วนะเพราะมันมันไปกับเรื่องนั้นอย่างเงี้แสดงว่าว่าไอ้หนัง น, นั่นหรือว่าไอ้สิ่งนั้นไอ้เรื่องนั้นเนี่ย มันมั น, ม, นมันจูงจิตเราไปได้เพราะฉั้กสินไหนที่จูงจิตคุณไปไม่ได้กรสินนั้นใช้ไม่ได้ผลเพราะะแค่ง่ายๆว่าบอกว่ามังกรย้ายหัวคุณก็อย่านึกว่ามันย้ายง่ายๆนะยิ่ ง, ย, งยิ่งเรื่องที่คุณฝังใจคาใจคุณโอ้โหคิดมาจนจะหัวหูหัวพังมันคาอยู่ในหัวคุณหนักหนาะสาหัสซากันถึงบอกใครเนี่ยยิ่งไม่พยายามนะเอาเรื่องอื่นที่มีน้ําหนักมากพอเนี่ยมา พูดง่ายทุ่มใส่นะทุ่มใส่จิตเราเนี่ยจนกระทั่งจิตเราเนี่ยโอ้โหมันเออมันยอมให้กบฝังของเก่าแล้วก็หันจิตมามามุ่งมั่นอยู่ที่ไอเรื่องใหม่นี้ให้ได้คุณถึงจะทําสําเร็จไม่อย่างนั้นทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยท่านท่านท่านบอกอย่างนี้ท่านเปรียบเอาไว้ในะในข้อที่หนึ่งเนี่ยว่าเหมือนกับช่างไม้รือลูกหรื อ, รอลูกมือช่างไม้ ผู้ฉลาดใช้ริมอันเล็กตอกโยกถอนริมอันใหญ่ออกไปใช้ริมอันเล็กจริงๆและไอ้เรื่องที่เราทุกเราห่วงกังวลเนี่ยจริงๆเราคงต้องคิดมาหลายตลบแล้วนะต้องคิดมาหลายตลบมันเหมือนกับริมอันใหญ่แต่ตอนนี้ผู้เจ้ากําลังใช้เรื่องใหม่ที่บอกแล้วต้องมีน้ําหนักพอต้องอะไรมาพอเนี่ยแต่ท่านเปรียบอันนี้ท่านเปรียบเหมือนกับริมอันเล็กเห็นไหมใช้ริมอันเล็กทําไม ริมอันนี้เล็กกว่าเพราะไอความห่วงความกังวลที่เรามีเนี่ยจริงๆแล้วมันมักจะใหญ่กว่าเพราะเราเราเราทุกมาก่อนเราคิดมาก่อนนะไอความห่วงกังวลอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันซ้ำแล้วซ้ำอีกมาก่อนแล้วเพรั้งคราวนี้เราจะเอาเรื่องใหม่เข้าไปแทนเนี่ยมันเลยส่วนใหญ่มันมีแต่จะเล็กกว่าโอกาสที่มันจะใหญ่กว่านี่ยากท่านก็เลยเปลี่ยนเหมือนกับว่าไอเรื่องใหม่เนี่ยนะที่เราจะเอาเข้าไปเนี่ย แม้จะเป็นริ่มอันเล็กหรือว่าเราอาจจะใช้พระธรรมใช้การฟังเทพธรรมะหรือว่าไปคุยกับที่ปรึกษาไหนก็แล้วแต่นะอันนี้มันมันเป็นของใหม่ละที่จะเอามาช่วยใจเราแันะ้วของใหม่เนี่ยมาทีหลังเนี่ยมันต้องมันต้องคิดทีหลังเนี่ยมันมันต้องเล็กกว่าอยู่แล้วมันไม่ใหญ่กว่าหรอกแต่ต้อง มีอำนาจต้องมีพลังพอเจรกระทั่งแม้ว่ามาใหม่เนี่ยแต่ว่ามันมีอำนาจมีพลังพอที่จะมีกำลังที่จะตอกตอกเข้าไปตอกเข้าไปคือเพื่อง่ายว่าคุณก็ต้องพยายามซ้ำคุณต้องพยายามยำท่านถึงจะให้คาว่าโยกตอกถึงจะถอนไอ้อันใหญ่ออกมาได้แสดงว่าโอต้องทําคือบางคนเนี่ยพอไปคิดเรื่องใหม่จะเข้ามาแทนเรื่องเก่าเนี่ยพอคิดปับ๊บคิดไปเสร็จ มันมันไม่ได้ไงไอของเก่าก็มาเล่นงานอยู่อีกคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลิกละก็เลยกลายเป็นไปกับของเก่าเลยคือถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นพอเราคิดแล้วเนี่ยจิตมันหนีไปอีกนะเรานั่งเจโตสมาธาเปรียบง่ายพอจิตมันดิ้นไปอีกคุณต้องรีบรู้รู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ก็หมายถึงว่าไอลิมไอลิมมันนดะเนีนเ๋ยเเอาเอาเข้ามาคิดอีก คือเ่อง่ายต้องมาชนต้องมากระแทกไอ้ของเก่าไปเรื่อยๆแทกไปเรื่อยๆ โ, โยกไอ้ของเก่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกของใหม่เนี่ยซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้า ไ, ไปอีกซ้ำเข้าไปอีกจนกระทั่งในที่สุดไอ้ของเก่าเนี่ยค่อยๆโดนโดนกระแทกจนจนหลุดออกไปจากความคิดของเร า, าได้เนี่ยแหละเขาหลุดออกไปได้เมื่ อ, อไห ร, ร่คราวนี้ก็ไอ้ของใหม่ที่เข้าไปเสียบแทนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ตัวที่ใหญ่แหะอันนี้ถ้าของใหม่ที่เข้าไปเสียบได้นะซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นคนที่จะนั่งเจโตสมาะแล้วก็จิตนิ่งได้สงบได้ก็จะต้องอาศัยกระสินที่มีแรงจิตโน้มพอที่ให้จิตเราเนี่ยไปจับหรือว่าไปใส่ใจไปสนใจได้ได้บ้างแต่ในขณะที่พอเราเอามาใช้เนี่ยมันไม่สาเร็จทีเดียวหรอก มันก็ตงพยายามเข้าไปอีกพยายามเข้าไปอีกพยายามเข้าไปอีกจนกระทั่งจิตเราเกาะกระสินั้นจนติดเนี่ยจนสำเร็จจนได้ได้เมื่อไหร่คราวนี้จิตคุณก็จะนิ่งแล้วก็จะสงบลงนะเอานี้เป็นกระบวนท่าที่หนึ่งแต่คราวนี้ถ้าใครทาไม่สาเร็จพูะเจ้าบอกเนี่ยใช้วิธีหนึ่งไปแล้วยังไม่สำเร็จอีกบางกนว่าหัวมันหนักย้ายไม่ไหว ยายหัวไม่ไหวหัวมันหนักเหลือเกินอจริงๆตื้อไปหมดเลยพยายามจะเอาเรื่องอื่นขึ้นมาคิดยังไงก็ไม่สําเร็จมันตื้อมากๆเลยในที่สุดท่านบอกอ้าถ้าอย่างนั้นใช้วิธีที่สองนะวิธีที่2ก็คือแต่ถ้ากําหนดเหตุอื่นไว้ในใจซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วความพิกร้อนใจอันเป็นบาปชั่วนั้นยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียว อันประกอบด้วยความรักไข้บ้างความโกรธฉุนเฉียวบ้างความหลงผิดโง่เขลาบ้างก็ควรพิจารณาโทษของความมิตกร้อนใจนั้นว่าความมิตกร้อนใจนี้ล้วนแต่เป็นของชั่วล้วนแต่เป็นผลร้ายล้วนแต่มีผลเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาเช่นนี้อยู่ความมิตกร้อนใจอันเป็นบาปชั่วนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมละทิ้งไปเสียได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นความดีเลิศผุด ข, ขึ้นตั้งมั่นอยู่ในภายในเหมือนหนุ่มสาวที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอากรีดชังต่อซากงูซากสุนัขหรือซากศพซึ่งผุดซึ่งผูกติดอยู่ที่คอหมายถึงว่าเอาเอาไอ้พวกอะไรอะหนังสัตว์หรือว่า ก็ดูกสัตว์หรือว่าอะไรเนี่ยไอท้ที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนัแล้วเอามาเป็นเครื่องประดับเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรตกแต่งร่างกายนะผู้เจ้าท่านก็เปรียบเปรียบว่าเนี่ยโอ้โหมันน่ารังเกียจนะไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไปฆ่าเข้ามาไปอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะท่านเปรียบวิธีที่สองที่ไอเห็นว่าใช้วิธีที่หนึ่งไม่สําเร็จละใช้วิธีที่สองคือให้พิจารณาโทษทุก ภยัยความชั่วความเลวร้ายของการที่เนี่ยเราเนี่ยจมอยู่กับไอ้เรื่องทุกเรื่องกังวลนั้นน่ะโอ้โหมันเลวร้ายยังไง